พุทธธรรมฉบับรับขยายจบบริบูรณ์ต้นฉบับจากไฟล์ pdf ระบุว่าพิมพ์ครั้งที่55สําำหรับเสียงห่านทุกชุดนั้นโปรดใช้ฟังในเบื้องต้นหรือเพื่อทบทวนเท่านั้นหากต้องการนำไปอ้างอิงโปรดตรวจสอบจากเว็บไซต์ของทางวัดอีกครั้งนะครับต้องขออนุโมทนาเจ้าภาพผู้ร่วมจัดทำทุกท่านในทุกเรื่องทุกบทที่เห็นความสาคัญในการสร้างธรรมทานร่วมกันอันเป็นการให้ที่สูงสุด และทุกท่านก็เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ชมรมพลดีทำงานต่อมาได้ถึงทุกวันนี้นะครับขออนุโมทนาเจ้าภาพเพิ่มเติมอีกดังนี้อรวรรณฟ้ารักษาปราริตาชนะกูลอนุชาเมาหวนหนาตยาสีโภอิทธิโชติราภาสกุลครอบครัวโถสกุลครอบครัวโลติวิกุลครอบครัวอุตรสริติกุลครอบครัวรดีลกพัสกุลจุติเ ด, ดสุภกิจศินป์ป ญ, ญนุตอินทนินวรารงพล รสกรกุลเพิ่มทวีรัตปัญญาโกจัน์การวรจีอํานวยทรัพย์สุภาพชยพรสุภาสินีสีตทระศัก์วิสุทธิรงคุลสุภัฏการปิ่นทองสุชาดาภาชื่นใจพันทิย์สันติภากรรวมกับอีกหลายท่านดูได้จะเครดิตไทยเรื่องและอีกหลายท่านซึ่งไม่ประสองค์ออกนามขอทุกท่านเจริญแต่ในทางที่เป็นกุศลอย่งขึ้นไปสัพพทานังธรรมทานังชินนาติการให้ธรรมะชนะ การให้ทั้งปวงเผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทางโดยไม่ต้องขออนุญาตแต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นอริยคุณจมรมผลดีกุมภาพันธ์พุทธศักราช2567